ครานี้ก็จะมีญาติโยมนะหลายคนนะประมาณสนะักสองสามรไปปลูกป่านะที่ผู้หลง เ, เทศกาลปลูกป่าก็เริ่มตั้งแต่นะวันวิสาขะที่ผ่านมานะแล้วก็เริ่มมีการทยอยไปปลูกป่าที่ผู้หลงกันนะเป็นระยะระยะนะอาทิตย์หน้าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็จะมีหลายกลุ่มตามมานะในเดือนต่อๆมาอันนี้ก็ หรือว่าเป็นกิจที่ควรทำนะสำหรับเรียกว่าชาวโลกเลยก็ว่าได้นะไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธหรือว่าผู้ที่อยู่ป่าหรือาอาศัยป่าเท่านั้นนอกจากการฝุกจิตนะหรือว่าการกล่าด้านในแล้วเนี่ยการทำงานภายนอกนะเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมอันนี้ก็เป็น กิจของชาวพุทธนะเรียกย่อๆว่าทาจิตแล้วก็ทากิจนะอย่างเรามาวัดเนี่ยเรามาเจริญสติทาสมาธิบำเพ็ญภาวนาอันนี้เรียกว่าทาจิตซึ่งที่จริงเราก็ควรทาจิตนะไม่ใช่แต่เฉพาะที่นี่นะอยู่บ้านหรือว่า อยู่ที่ทำงานเจออะไรที่มากระทบไม่ถูกใจนะเช่นรถติดมีคนต่อว่าอ่ะหรือเจ็บป่วยอันนี้ก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยก็คือทำให้ใจเนี่ยมันสงบเย็นไม่ทุกข์ไม่ร้อนส่วนการทำกิจนะก็คือการแก้ไขปัญหาจัดการกับเหตุปัจจัยภา ย, ภายนอกรวมรวมทั้งการทำประโยชน์ทนะ่าจ้าพุทธาสเนะี่ยคือกล่าวว่า ชีวิตที่ดีเนะี่ยคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สงบเย็นเพราะทำจิตนะส่วนเป็นประโยชน์ก็เพราะทำกิจนะสาระหรื อ, น, น, อนัยยะอีนเดียวกันอันเดียวกันถ้าเราทำจิตดีเราก็สงบเย็นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเนะี่ยมันจะวุ่นวายแค่ไหนหรือแม้ว่าสุขภาพจะดีหรือไม่ใจก็สงบเย็น แต่ถ้าเราทํากิจถูกต้องนะมันก็เกิดประโยชน์นะต่อส่วนรวมทั้งสองประการนี้จะว่าไปก็เป็นคุณสมบัติของพระเจ้านะอย่างที่เราสวดมักครูปเนี่ยถ้าจับความได้เราจะพบว่าองค์คุณหรือที่เราพุทธคุณของพระเจ้าเนี่ยเมื่อย่อแล้วเนี่ยเหลือแค่สองนะก็คือปัญญาและกรุณาปัญญานี่ เกิดจากการทําจิตนะทำจิตจนกระทั่งเห็นความจริงเห็นสัจธรรมของกายและใจและเห็นสัจธรรมของโลกตอนนี้พอเห็นพอมีปัญญาก็ไม่มีความเห็นแก่ตัวอีกต่อไปความยึดมั่นในตัวกูก็ไม่เหลือกิเลสครอบงำไม่ได้ใจก็แผ่กว้างเกิดกรุณาอันไม่มีประมาณ เป็นกรุณาที่มุ่งจะทำประโยชน์เพื่อสรรพสัตว์ไม่ได้มีประโยชน์ตนหลงเหลือแม้แต่น้อยนะนอกจากการยังชีพให้อยู่ได้เป็นปกติสุขเพื่อได้ทำกิจทำการงานต่างๆผู้เจ้าเนี่ยเมื่อพระองค์ได้บรรลุธรรมนะแล้วก็เสด็จไปโปรดสัตวนะ์สั่งสอนอเวทนายสัตว์ทั้งหลายแล้วเนี่ย พระองค์ก็มีพระประสงค์นะหรือว่ามีความตั้งใจอย่างเนื้อก็คือจะอยู่ป่านะจะประทับในป่านี้ตลอดชีวิตอันนี้พระองค์เคยสนทนากับพรามคนหนึ่งนะชื่อชาลุศนีนะเป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องป่าทั้งนั้นเลยนะก็คือว่าชาลุศนีแกเป็นคนที่กลัวป่านะ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 พระองค์ก็เคยกลัวป่านะกลัวป่าเวลามีเสียงสัตว์นะสัตว์ป่าไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยมาข้างเสียงนกยงพระองค์ก็กลัวกลัวจนขนลุกชันเลยงั้นพวกเราเนี่ยที่มาป่าแล้วกลัวป่านี่ก็ธรรมดานะพระองค์ก็เคยประสบแต่ว่าพระองค์ก็มีวิธีนะก็คือเมื่อ มีความกลัวเกิดขึ้นก็ให้รู้ความกลัวนั้นก็รู้ว่าเรากลัวหนอแลความกลัวมก็ดับไปอีกวิธีหนึ่งที่ทรงใช้คือว่าเวลาเดินจงกลมแล้วกลัวก็เดินไปเรื่อยๆจนหายกลัวจะไม่เปลี่ยนอิริยาบถนะเรียกว่ากลัวในอิริยาบถไหนก็อยู่ในอิริยาบถนั้นจนหายกลัวนั่งแล้วกลัวก็จะนั่งนะจนหายกลัวอันนี้ก็ารวมถึงว่า กัวตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยนะจนหายกลัวเสร็จแล้วพระองคก็กล่าวต่อไปว่าเนี่ยชานุศนีเนี่ยคงจะคิดว่าที่จนทุวันนี้เนี่ยพระองค์ก็ยังอยู่ป่านะประทับอยู่ในป่าเนี่ยคงพระคิดว่าพระองค์นี้ยังไม่ได้ปลอดจากความโลคความกลัวความหลงนะจึงมาอยู่ป่าสงบสงัดนะคล้ายๆว่าอยู่ป่าเพื่อมาฝึกตนนั่นแหละ ชาวทโ น, นีอาจจะเข้าใจอย่างนั้นแต่พระองค์ก็บายพระองค์เนี่ยนะพ้นทุกข์แล้วนะราคาโทสะโมหะนี่ไม่อาจจะครอบงำได้แต่ที่อยู่ป่าก็เพราะว่าและที่อยู่ป่าและตั้งใจจะอยู่หยประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็เพราะว่าข้อแรกเนี่ยนะทรงประทับในป่าที่สงบสงัดแล้วเนี่ยมันเป็นความสุขในปัจจุบัน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 จะใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะอื่นเนชะ่นะเก็บผ ล, ลไม้เก็บยาสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์เราไม่มีเทคโนโลยีมากที่จะทาลายป่าได้มีแค่ขวานมีแค่เลื่อยเนี่ยสมัยก่อนป่านี่มันก็เป็นร้อยๆ้ยยล้านไร่เนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถทาให้ป่าหดหายได้มากแต่เดี๋ยวนี้คนเรามีความสามารถในการทาลายป่าได้สูงมากป่า การทำลายป่านี่กลายเป็นปัญหาสำคัญนะของคนในปัจจุบันป่ามันหดถายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเพียงแค่อาศัยป่าเพื่อทำจิตนะมันไม่พอนะมันก็มีการทำกิจเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูนป่าขึ้นมาอันนี้มันเป็นกิจใหม่นะของของของชาวพุทธก็ว่าได้นะ แต่ก่อนก็มีแต่สิกขาบทหรือวินัยนะว่าห้ามพระเนี่ยไปพรากภูตคาามก็คือว่าทำลายของเขียวเช่นตัดต้นไม้นะหรือว่าไปตัดกิ่งไม้เนี่ยก็เท่านั้นแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเรามนุษย์เราทำได้มากกว่า น, นั้นทาลายได้มากกว่า น, นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการ รักษาป่าการฟื้นฟู ป, ป่าเป็นเรื่องสําคัญนะในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์คนรุ่นหลังในด้านหนึ่งก็เพื่อประโยชน์ปัจจุบันด้วยนะประโยชน์อย่างไรนะนะมีป่าเนี่ยนะมันก็ทําให้มีน้ามีอาหารนะมีปัจจัยเสียเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยปัจจัยเสียงคนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังต้องอาศัยธรรมชาติโดยเพราะป่า ถึงแม้ทุวันนี้จะมีการสังเคราะห์นะมีพลาสติกนะมาแทนไม้นะแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุ ด, ดิบนะที่ทําพลาสติกมันก็มาจากธรรมชาตินะอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับป่าโดยตรงก็ตามแต่ก็เกี่ยวข้องโดยอ้อมความสําคัญเนี่ยนะของป่าเนี่ยนะโดยเพราะการให้น้ําการให้อากาศนี่สําคัญนะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตมาไป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 ในขาที่อเมริกาเป็นประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ไม่สนใจแล้วเรื่องโลกร้อนแต่นอร์เวีเนี่ก็สนใจแล้วเขาก็ร่วมกับหน่วยงานพัฒนาของสหประชาชาติ UNDP นีนจัดสัมมนาเขาเน้นจอดตรงเลยนะผู้นำศาสนาเพราะวัตถุประสงค์คือต้องการให้มาช่วยกันรักษาป่าฝน หรืเลนฟอเรส์เนี่ยป่าฝนตอนนี้มันกำลังถูกคุกคามมากนะปีหนึ่งเนี่ยหดหายไปพื้นที่มหาศาลนะั่นเท่ากับประเทศอสทศอสเตรียประเทศออสเตรียมันก็ใหญ่นะหายไปทุกปีทุกปีนะพื้นที่นะพื้นที่ปา่าขนาดเท่าออสเตรียหายไปทุกปีทุกปีเพราะการทํำลายป่าเพื่อทําพื้นที่เกษตรเพื่อปลูกธัญพืชเช่นข้าวโพดนะหรือว่าถั่วเหลือง หรือว่าปามเนี่ยอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นปัญหาระดับโลกซึ่งต่อไปทำให้ปัญหาโลกล้อนนี่ลุกลามมากขึ้นเขาก็เลยจัดประชุมนะต่อมาก็ได้รับนิ ม, มนต์ไปด้วยก็ได้ไปฟังการบรรยายนะของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะเป็นคนในลาตินอเมริกาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องป่าอเมซอนเขา เคยได้ยินนะคนเท่าคนแก่หรือว่าชนพื้นเมืองบอกว่ามีป่า ก, ก็มีฝนเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือเปล่านะจนแล้นเขาศึกษาเนี่ยศึกษามาเป็นสิบปีนะแล้วก็ทั้งภาคพื้นดินแล้วก็บนฟ้าเนี่ยใช้เครื่องบินแล้วก็เขาก็พบในที่สุดว่าสิ่งที่ผูก้กามานานว่าป่ามีป่าทําให้มีฝนเนี่ยนะมันจริงแต่ก่อนก็พูดแต่ไม่มีหลักฐานแล้วก็พูดแต่เพียงว่าความชื้น ในป่ามันเรียกฝนมานะแต่ว่ามันไม่มีคำอธิบายที่ดีไปกันนั้นแล้ว ก, ก็พบว่าโอ้ใช่เลยนะคือป่าเนี่ยนะคือเวลาฝนนี่มันจะตกมาได้นี่มันต้องเกาะกับพวกฝุ่นละอองฝุ่นละอองที่อยู่บนฟ้าในอากาศในงั้นเนี่ยละอองน้ำเนี่ยมันมันตกมาเป็นเม็ดฝนไม่ได้แต่คันนี้เหนือป่าเนี่ยนะ หรือป่าอเมซอนเนี่ยมันไม่มีฝุนเลยแล้วฝนตกได้ยังไงก็เขาก็พบว่าป่าเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันปล่อยพวกก๊าซต่างๆรวมทั้งกลิ่นนะกลิ่นของดอกไม้เนี่ยมันก็มีพวกาสารเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยลอยฟุ้งอยู่เหนืออยู่เหนือป่าไอ้พวกนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ละอองน้ำมาเกาะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝน เขาเว่าฝนมหาศัจจันร์นะ p i x i Dust นะฝูดมหาศัจจันร์มันทําให้ฝนตกมาเรื่อยๆนะในป่าอเมซอนแล้วก็ในป่าทั้งหลายและที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งคือเขาพบว่าป่าเนี่ยนะมันทําให้เกิดแม่น้ํานะไม่ใช่แม่น้ำํำบนดินอย่างเดียวนะมันมีแม่น้ําบนฟ้าด้วยเรียแม่น้ําลอยฟ้า Flying River พอวิจัยจนพบ ว, ว่าเนี่ยมันจะมีอละอองน้ําเนี่ยจับร อ, องน้ํานี่เป็นสายเลยนะอยู่เหนือป่าแล้วก็เคลื่อนไปตามที่ต่างๆที่ทาให้เกิดความชุ่มชืน้นน้ํานี่ละอองน้านี่มันหนามากนะจนทั้งเขาเรียกเป็นแม่น้ําได้ที่มันอยู่บนฟ้านะมีป่าเนี่ยมันทําให้เกิดความชุ่มชืน้นทั้งเกิดฝนในในแนวดิ่งแล้วกเกิดอเกิดความชุ่มชื้นในแนวราบเนี่ย อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าป่านี่มันทําให้เกิดทั พ, พียกกรต่าง ๆ, ๆมากมายนะและที่สำคัญคือป่านี่มันตัวดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ก็บอกว่าเนี่ยถ้าป่าเนี่ยนะถ้ารักถ้าหยุดยั้งการทําลายป่าเสียแต่วันนี้แล้วก็ทําให้ป่าที่เสื่อมโทรมมันดีขึ้นนะไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันทำให้เกิดโลกร้อนเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยนะสามสซ็นเเพราะว่า ต้นไม้เนี่ยถ้าเราเผามันนะมันก็เกิดก๊าซถ้าเราหยุดเผาเนี่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลดลงและต้นไม้เนี่ยมันดูดออกซิมันดูดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นออกซิเจนด้วยนะะทุกวันนี้ก็มีปัญหาว่าเนี่ยเราจะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรนะคิดเทคโนโลยีต่างๆมากมายแม้กระทั่งนะการเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะแล้วก็เอาไปปล่อยในในอนอกโลกนะ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 จึงมีพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาจึงย่งยืนตกทอดระจนถึงเราทุกวันนี้ได้พระพุทธเจ้าในปะสูดก็ใต้ต้นไม้ตัดสรู้เนี่ยก็ใต้ต้นไม้ท่ามกลางธรรมชาติที่ลมลื่นตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่ใต้ต้นโพเนี่ยเพื่อจะบำเพ็ญเพียรจนทั้งตัดสรู้ในในวันวิสาขาบูชาเนี่ยหาข้ามเดือนหงเนี่ย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 นะมีโครจรคามแล้วพระองค์ก็ตัสว่าเนี่ยสถานที่นี้เป็นที่รมณีหนอเหมาะกับการบําเพ็ญเพียรแล้วพระองค์ก็เลยปรงใจว่าเนี่ยก็จะขอทําความเพียรตรงนี้แหละแล้วก็ประทับใต้ต้นโพแล้วก็บรรลุ ธ, ธรรมในคืนนั้นเลยก่อนสว่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบรรลุ ธ, ธรรมพุทจา้าเนี่ยธรรมชาติความร่มรื่นสถานที่รมณีเนี่ยนะจึงมีความสําคัญ สมเด็จพระโคสอาจารย์เนี่ยถึงกับพูดว่าเนี่ยที่โรมันีเนี่ยคือที่เริ่มต้นของพุทธศาสนาแล้วก็เมื่อพระองค์ตัดสรุวแล้วก็อย่างที่บอกนะพระองค์ก็ตั้งใจว่าจะประทับอยู่ในป่าตลอดชีวิตก็ใช้ป่านี่แหละนะเป็นที่สอนธรรมทำให้เกิดพระอรหันต์มากมายหลายท่านนะเข้าไปในป่าแล้วก็เกิดความสงบรู้สึกร่มเย็นนะเกิดความสุขอยากจะบาเพ็ญภาวนา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 ปัจจุบันแล้วก็เกิดศรัทธานํามานํามาปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตใจให้มีความสุขคลายจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าได้ประโยชน์โดยอ้อมนะได้ประโยชน์โดยตรงก็คือเนี่ยมาเข้ามาในป่าแล้วก็บําเพ็ญภาวนาอย่างพวกเราเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจโดยตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าป่าเนี่ยจะไม่ใช่ของเรานะจะเป็นของใครก็แล้วแต่นะ ก็ควรรักษาเอาไว้นะแล้วนี่ก็เป็นหน้าที่ของรียกว่ทุกศาสนาก็ว่าได้อย่างใครไปประชุมนอร์เวย์นี่นะเขาก็ต่อจงนะเรื่องป่าฝนในเขตอเมซอนแล้วก็ในประเทศแอฟริกาเนี่ยเพิ่งรู้นะไปที่ถึงรู้ว่าแอาฟริกาเนี่ยมันมีป่าฝนใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับสองรองจากอเมซอน เวลาเราถึงแอฟริกาเราก็นึกถึงทะเลทรายหรือไม่ก็ทุ่งหญ้าสวรรค์ น, นาแต่ที่จริงมีป่าฝนที่ใหญ่มากเลยนะอยู่ในคองโกเนี่ยอันดับสองรองจากอเมซอ น, นอิโนโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีป่าฝนเยอะนะก็ยังถือว่าเล็กน้อยนะเมื่อเที่บกับคองโกพม่าเนี่ยก็มีป่าเยอะนะแต่ก็ยังเล็กน้อยนะ เขา้ากผู้นำาศาสนาโดยเพาะในประเทศเหล่านั้นและอเมซอนคองโกเนี่ยศาสนาคริสต์นะแล้วก็แม้กระทั่งชนพื้นเมืองเนี่ยที่อยู่อาศัยป่าเนี่ยก็มามาระดมความคิดนะแล้วก็มาสร้างเป็นเครือข่ายนะเพื่อที่จะช่วยกันรักษาป่าชาวพุทธก็มาร่วมในการสัมมนานี้บ้างนะแต่ไม่มากเพราะว่า อ, อย่างที่บอกนะ ป่าฝนที่มันเป็นหัวใจสำคัญเนี่ยของภูมิอากาศระดับโลกเนี่ยมันมีอยู่สองที่นะสามที่อเมซอนนะลาตินอเมริกาแล้วก็แอฟริกาแล้วก็อินโดนีเซียนะแต่ถึงแม้มืองไทยเราจะมีป่าฝนไม่มากนะหรือว่ายังในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับระดับโลกนะแต่ว่ามันก็มีความสำคัญนะ ความสาคัญต่อช่วยของผู้คนไม่ว่าจะเป็นพูดหรือไม่พุทธนะไม่ว่าจะเห็นถึงประโยชน์ของมันหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าการช่วยกันรักษาป่าฝนทั้งในเมืองไทยหรือว่าในที่ต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการทากิจที่สําคัญนะที่เราต้องอะระดมกำลังช่วยกันอย่าเปนเึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวที่จริงมันกลตัวมาก เรื่องโลกร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าภัยมันยังเห็นไม่ชัดนะแต่มันก็แสดงตัวให้เรารับรู้ได้ฤดูที่แปรปรวนนะฝนที่ตกผิดต้องนะไม่ตกต้องตามฤดูกาลความแห้งแล้งนะโรคระบาดนะที่เดี๋ยวนี้มีโรคใหม่ๆเกิดขึ้นไอพนิตฐกรมันถูกเก็บไว้ไว้ไวในป่านะมันไม่ออกมาเพ่นพ่านนะแต่พอทำลายป่าห้โรคพวกนี้มันก็ออกมาอาละวาด นะเหมือนกับที่เขาเรียกผีป่าเนี่ยพอทำลายป่าผีป่ามันก็เข้ามาสู่เมืองเนี่ยอันนี้เป็นสำนวนคนโบราณนะแต่ที่จิมก็มันใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยนอกจากการทำจิตนะฝึกจิตของเราให้สงบร่มเย็นแล้วนี่ก็ต้องช่วยกันทำให้โลกเนี่ยมันร่มเย็นนะด้วยต้นไม้ด้วย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 นั nah la, ่นละชาตินี ni, uh ่ก็พุทตอนนี้อ่า